รองลองมาก็พระอาจารย์เทศเทศลังสีท่านเป็นพระราชาคณะปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่วัดถินมาเก่งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายท่านเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นรูปหนึ่งที่ปฏิบัติดีป ฏ, ดปฏิบัติชอบเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสยอยู่มากและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพระเนนและประชาชนทั่วไปแทบทุกภาคปฏิบัติาของท่านเป็นไปอย่างเรียบเรียบสม่ำเสมอ สมกับอัจยาสัยท่านที่คร่องแคล่วอ่อนโยนสงบเสงี่ยมงามมากยากที่จะหาได้แต่ละองค์คําพูดจาปราศัยเป็นที่จับใจไพเราะต่อคนทุกชั้นท่านมีมารยาสวยงามมากผู้ยึดไปเป็นคติและปฏิบัติตามย่อมเป็นผู้สวยงามและเย็นตาเย็นใจแก่ผู้ได้เห็นได้ยินตลอดผู้มาเกี่ยวข้อง ท, ทั่วไปอย่างไม่มีประมาณเพราะมารยาอัธยาศิยของครูอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกัน คือมรารยาทของบางองค์ใครนำไปใช้ก็ ง, งามไปหมดไม่สแสลงใจแก่ผู้มาเกี่ยวข้องและเป็นความงามตาเย็นใจในคนทุกชั้นแต่มรารยาทของบางอาจารย์ย่อมเป็นสมบัติที่เหมาะสมและสวยงามเฉพาะองค์ท่านเท่านั้นผู้อื่นยึดเอาไปใช้ย่อมกลายเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงและสแสลงใจผู้อื่นที่ได้เห็นได้ยินขึ้นมาทันทีดังนั้นมรารยาทของบางอาจารย์จึงไม่สะดวกที่จะยึดไปใช้ทั่วไป ท่านอาจารย์เทศท่านมีอัธยาศัยนุ่มนวลควรเป็นคติและเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับไปปฏิบัติตามทั่วๆไปโดยไม่มีปัญหาว่าจะขาดต่อสายตาและจิตใจของผู้มาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดและเหมาะสมกับเพศนักบวชผู้ควรมีมารยาทอัธยาศัยสงบสงเง่ยมเย็นใจโดยแท้นี่คือลูกศิษย์ของท่านรูปหนึ่งที่ควรกราบไหว้บูชาอย่างสนิทใจตามความรู้สึกของผู้เขียน ที่ได้เคยสมาคมและกราบไหว้บูชาท่านโดยถือเป็นครูอาจารย์อย่างสนิทใจตลอดมาท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากในภาคต่างๆและทําประโยชน์แก่หมู่ชนอย่างกว้างขวางจัดว่าเป็นพระอาจารย์ที่หาได้ยากรูปหนึ่งลําดับพรรษาลงมาก็มีพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านผู้หนึ่งขณะนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดอุดมสมพรบ้านนาหัวช้างอําเภอพนานานิคม จังหวัดสกลนครท่านเป็นที่เลื่องลือระบือทั่วทุกคนทุกแห่งด้วยกิตติศักด์กิติคุณแห่งการปฏิบัติดีสามีจิตกรรมที่ชอบทั้งภายนอกภายในจิตใจท่านก็สูงด้วยคุณธรรมเป็นที่เคารพนับถือของหมู่ชนทุกภาคของเมืองไทยเป็นที่น่าเรื่อมเรยอย่างยิ่งเป็นผู้มีความเมตตามากต่อคนทุกชั้นการสงเคราะห์ทั้งด้านวัตถุและด้านธรรมะ นระท่านเอาใจใส่ยอย่างพระผู้มีจิตเมตตาไม่มีขอบเขตจริงๆแต่รู้สึกเสียใจที่จำต้องงดเรื่องท่านไว้ก่อนเพื่อดำเนินเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นสึกต่อไปหากมีโอกาสจะนำมาลงในวาระต่อไปตอนจบเรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นเรียบร้อยแล้วลำดับสิทธิ์ของท่านองค์ต่อไปคือท่านพระอาจารย์ขาวซึ่งขณะนี้ ท่านอยู่วัดถ้ำกลองเพนอําเภอหนองบัวลํำพูจังหวัดอุดรธานีท่านผู้อ่านคงทราบที่ดีคุณท่านได้ดีพอเพราะเป็นอาจารย์สําคัญในปัจจุบันทางด้านข้อปฏิบัติและความรู้ภายในใจเป็นที่น่าเลื่อมสายอย่างมากท่านเป็นพระที่เด็ดเดี่ยวทางความเพียรชอบสแสวงหาอยู่ในที่สงัดตลอดมาทางความเพียรท่านเป็นเยี่ยมในวงพระทูดงกรรมฐานยากจะหาตัวจับได้ แม้ปัจจุบันอายุท่านจะก้าวข้ามแปดสิบสองปีอยู่แล้วก็ตามแต่ความเพียรยังไม่ยอมลดหย่อนพรตามสังขารเลยมีบางคนพูดเป็นเชิงวิตกเป็นห่วงท่านว่าท่านจะทําความเพียรไปเพื่ออะไรนักหนาเพราะอะไรอะไรท่านก็เพียงพอทุกอย่างแล้วไม่ทราบว่าท่านจะขยันไปเพื่ออะไรอีกก็ได้ชี้แจงเรื่องของท่านให้ฟังว่าท่านผู้หมดสิ้นสิ่งที่เป็นค่าศึกซึ่งคอยกีดกันบันทฑร และคอยเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลาโดยสิ้นเชิงแล้วท่านไม่มีความเกียดคร้านมะมาเกีดขวางดวงใจให้หลุมหลงไปตามเหมือนพวกเราผู้สั่งสมความที่เกลียดอ่อนแอไว้ในใจจนกองเท่าภูเขาสูงลูกใหญ่ๆแทบมองหาตัวคนไม่เห็นพอจะทําอะไรลงไปบ้างก็กลัวแต่จะได้มากมีมากกลัวจะหาที่เก็บไม่ได้กลัวแต่จะเหนื่อยยากลําบากสุดท้ายก็ไม่มีอะไรจะเก็บใส่ภาชนะเลยมีแต่ภาชนะเปล่าๆใจเปล่าๆ ใจเหี่ยวแห้งใจไม่มีคุณสมบัติเครื่องอาศัยใจลอยลอยสิ่งที่เต็มก็คือการบ่นว่าทุกข์ว่าจนหรือเดือดร้อนกันทั่วโลกเพราะมานตัวขี้เกียจคอยบันดาลขัดขวางและกดท่วไว้ท่านผู้ปราบมานตัวเหล่านี้ออกจากใจได้แล้วจึงเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรไม่ลดละโดยไม่สนใจคิดว่าจะมีภาชนะเก็บหรือไม่กว่ามีใจเป็นธรรล้วนๆไม่มีโลกเครื่องทำลายเข้ามาแอแฝง จึงเป็นบุคคลที่มีความสง่าผ่าเผย อ, อยู่ทุกอีรรยาบทไม่มีความอับเฉาเศร้าใจเข้ามาครอบครองจึงเป็นบุคคลตัวอย่างของโลกได้อย่างมั่นเหมาะลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์แต่และองค์รู้สึกมีสมบัติอันแคลวพราวราวกับเพชรซ่อนอยู่ในตัวอย่างลึกลับแท้ทุกองค์เมื่อเข้าถึงองค์ท่านจริงๆแล้วจะได้รับสิ่งปแปลกและอัศจรรย์ไปเป็นขวัญใจและระลึกไว้เป็นเวลานา น, าน ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีลูกศิษย์ที่สําคัญสําคัญอยู่หลายองค์และหลายรุ่นทั้งรุ่นอายุพรรษาและคุณธรรมรองกันลงมาเป็นลําดับลาดาสมกับท่านเป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมคือข้อปฏิบัติและทำภายในประหนึ่งพระไตยปิดฎกย่อมย่อมตั้งอยู่ภายในดวงใจท่านกิ่งดังบุคภนิมิตที่ปรากฏเป็นกลุยหมายไว้แต่เริ่มแรกออกปฏิบัติเวลาสําเร็จผลขึ้นมาก็ตรงตามนั้น ท่านทราบทราบว่าท่านจาริกไปในทีต่ต่างๆและทําการอบรมสั่งสอนพระเนนและประชาชนเป็นจํานวนมากต่อมาพากันเกิดความเชื่อเลื่อมสายอย่างฝังใจและติดใจในรถพระสัทธรรมของท่านมากเนื่องจากท่านนําเอาของจริงภายในใจออกสั่งสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้เป็นไปแบบสุ่มเดาคือท่านก็แน่ใจและเห็นจริงในธรรมที่ปฏิบัติรู้และสอนจริงตามธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็น เมื่อกลับจากท่านสาริกาสู่ภาคอีสานครั้งที่สองนี้ท่านเล่าว่าท่านตั้งใจอบรมสั่งสอนพระเนนและประชาชนทั้งชุดเก่าที่เคยอบรมไว้บ้างแล้วทั้งชุดใหม่ที่กําลังเริ่มตั้งรากตั้งฐานอย่างแท้จริงการปฏิบัติต่อทุดงค์ควะที่ท่านนับถือเป็นแบบฉบับอย่างฝังใจประจําองค์ท่านและสั่งสอนพระเนนให้ดําเนินตามมีดังนี้การบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจําวันมิได้ขาดถ้ายัางฉันอยู่ เว้นจะไม่ฉันในวันใดก็ไม่จำต้องไปในวันนั้นกิจวัตรในการบินทบาทท่านสอนให้ตั้งอยู่ในท่าสำรวมกายหาจาใจมีสติประจำตนกับความเพียรที่เป็นไปอยู่เวลานั้นไม่ปล่อยใจให้พลั้งเผลอไปตามสิ่งยั่วยุลต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสกับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งไปและกลับท่านสอนให้มีสติรักษาใจ ตลอดความเคลื่อนไหวต่างๆไม่เผลอตัวและถือเป็นความเพียรประจํากิจวัตรข้อนี้ทุกๆวาระที่เริ่มเตรียมตัวออกบินธบัติหนึ่งอาหารที่ได้มาในบาทมากน้อยถือว่าเป็นอาหารที่พอดีและเหมาะสมกับผู้ทา้งใจจะสังสมทมคือความมากน้อยสันโดษให้สมบูรณ์ภายในใจไม่จําต้องสแสวงหาหรือรับอาหารเหลือเฟือที่ตามส่งมาทีหลังอีกอันเป็นการส่งเสริมกิเลสความมากๆซึ่งมีประจําตนอยู่แล้ว ให้มีกำลังพยองพองตัวยิ่งยิ่งขึ้นจนตามแก้ไม่ทันอาหารที่ได้มาในบากอย่างใดก็ฉันอย่างนั้นไม่แสดงความกระวนกระวายสายแสอันเป็นลักษณะเปรตผีตัวมีวิบา ก, กรรมทรมานมีอาหารไม่พอกับความต้องการต้องวิ่งวุ่นคุนเครืองเดือดร้อนเพราะท้องเพราะปากด้วยความหวังอาหารมากยิ่งกว่าธรรมทูดวงข้อห้ามอาหารที่ตามส่งมาทีหลังนี้เป็นธรรม หรือเครื่องมือหักล้างกิเลสความมากๆในอาหารได้เป็นอย่างดีและตัดความหวังความกังวลต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารได้อย่างดีเยี่ยมหนึ่งการฉันมือเดียวหรือขนเดียวในวันหนึ่งหนึ่งเป็นความพอดีกับพระธุดงกรรมฐานผู้มีภาระและความกังวลน้อยไม่พร่ำเรื่อกับอาหารหวานขาวในเวลาต่างๆอันเป็นการกังวลกับปากท้องมากกว่าทำจนเกินไปไม่สมศักดิ์ศรีของผู้แสวงธรรมเพื่อความพ้นทุกอย่างเต็มใจ แม้เช่นนั้นในบางคราวยังควรทําการผ่อนอาหารฉันแต่น้อยในอาหารมื้อเดียวนั้นเพื่อจิตใจกับความเพียรจะได้ดําเนินโดยสะดวกไม่อืดอาดเพราะมากจนเกินไปและยังเป็นผลกําไรทางใจอีกต่อหนึ่งจากการผ่อนนั้นด้วยสําหรับรายที่เหมาะกับจริตของตนทุดงขวัตข้อนี้เป็นธรรมเครื่องสังหารลบล้างความเห็นแก่ป่าแก่ท้องของพระทุดงที่มีใจมักละโมบโลเลในอาหารได้ดี และเป็นธรรมข้อบังคับที่เหมาะสมมากทางโลกอนนิยมเช่นเดียวกับทางธรรมเช่นเขามีเครื่องป้องกันและปราบปรามสิ่งที่เป็นฆาสิทธไม่ว่าจะเป็นฆาสิทธต่อทรัพย์สินหรือต่อชีวิต จ, จิตใจเช่นสุนัขดุงูดุช้างดุเสือดุคนดุไข้ดุหรือไข้ทรยศเขามีเครื่องมือหรือยาสําหรับป้องกันหรือปราบปรามกันทั่วโลกพระธุดงกรรมฐานผู้มีใจดุ ใจหนักในอาหารหรือในทางไม่ดีใดๆก็ตามที่ไม่น่าดูสําหรับตัวเองและผู้อื่นจึงควรมีทำเป็นเครื่องมือไว้สําหรับปราบปราม บ, บ้างถึงจะจัดว่าเป็นผู้มีขอบเขตและงามตาเย็นใจสําหรับตัวและผู้เกี่ยวข้องทั่วไปทุดงข้อนี้จึงเป็นทำเครื่องปราบได้ดีหนึ่งการฉันให้บาดไม่เกี่ยวกับภาชนะอื่นใดจัดเป็นความสะดวกอย่างยิ่งสําหรับพระทุดงกรรมฐานผู้ประสงค์ความมากน้อยสันโดษ และมีนิสัยไม่ค่อยอยู่กับที่เป็นประจำการไปเที่ยวจาริกเพื่อสมณธรรมในทิศทางใดก็ไม่ต้องหอบผิวพรุงพรังอันเป็นความไม่สะดวกและเหมาะสมกับพระผู้ต้องการถ่ายเทสิ่งรกรุงรังภายในใจทุกประเภทเครื่องบริการใช้สอยแต่ละอย่างนั้นทำความกังวลแก่การบาเพ็ญได้อย่างพอดูฉะนั้นการฉันเฉพาะในบาทจึงเป็นกรณีที่ควรสนใจเป็นพิเศษสาหรับพระธุดงค์ คุณสมบัติที่จะเกิดจากการฉันในบาทยังมีมากมายคืออาหารชนิดต่างๆที่รวมลงในบาทย่อมเป็นสิ่งที่สะดุดตาสะดุดใจและตือนสติปัญญามิให้นิ่งนอนใจต่อการพิจารณาเพื่อถือเอาความจริงต่างๆที่มีอยู่กับอาหารที่รวมกันอยู่ได้อย่างดีเยี่ยมท้าเลาวาท่านเคยได้รับอุบายต่างๆจากการพิจารณาอาหารในขณะที่ฉันมาเป็นประจำแม้ข้ออื่นๆก็ มีในเช่นเดียวกันท่านจึงได้ถือเป็นข้อหนักแน่นในธุดงควัตตลอดมามิได้ลดละการพิจารณาอาหารในบาทเป็นอุบายตัดความทะเยอทะยานในรสชาติของอาหารได้ดีการพิจารณาก็เป็นทำเครื่องถอถอนกิเลสเวลาฉันใจก็ไม่ทะเยอทะยานไปกับรสอาหารมีความรู้สึกอยู่กับความจริงของอาหารโดยเฉพาะอาหารก็เพียงเป็นเครื่องอยังชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งๆเท่านั้น ไม่กลับเป็นเครื่องก่อกวนและส่งเสริมให้ใจกำเริบเพราะอาหารดีมีรสอร่อยบ้างเพราะอาหารไม่ดีมีรสไม่ต้องใจบ้างการพิจารณาโดยแยบขายทุกๆครั้งก่อนลงมือฉันย่อมทำให้ใจคงตัวอยู่ได้โดยสม่าเสมอไม่ตื่นเต้นไม่อักเฉาเพราะอาหารและรสอาหารชนิดต่างๆวางตัวคือใจเป็นกลางอย่างมีความสุข ฉะนั้นการฉันในบาจึงเป็นข้อวัดเครื่องกำจัดกิเลส ต, ตัวหลงรสอาหารได้เป็นอย่างดีหนึ่งท่านถือผ้าบางสุกลเป็นกิจวัตรพยายามอดกลั้นไม่ทำตามความอยากอันเป็นความสะดวกใจซึ่งมีนิสัยชอบสวยงามในความเป็นอยู่ใช้สอยโดยประการทั้งปวงมาดั้งเดิมคือเที่ยวเสาะแสวงหาผ้าที่เขาทิ้งไว้ในที่ต่างๆที่ป่าช้าเป็นต้นเก็บเล็กผสมน้อยมาเย็บปะติดปะต่อเป็นเครื่องนุ่งห่มใช้สอย โดยเป็นสรุสบองบ้างเป็นจีวรบ้างเป็นสังฆาติบ้างเป็นผ้าอาบน้ําฝนบ้างเป็นบริการอื่นๆบ้างเรื่อยมาบางครั้งท่านชักบางสกุลผ้าที่เขาพันศพคนตายในป่าช้าก็มีที่เจ้าของศพเขายินดีเวลาไปบินธบาตมองเห็นผ้าขาดตกทิ้งอยู่ตามถนนทนทางท่านก็เก็บเอาเป็นผ้าบางสุกุลไม่ว่าจะเป็นผ้าชนิดใดและได้มาจากที่ไหน เมื่อมาถึงที่พักแล้วท่านนำมาทำการซักฟอกให้สะอาดแล้วเอามาเย็บปะสบงจีวรนที่ขาดบ้างเย็บติดต่อกันเป็นผ้าอาบน้ำฝนบ้านอย่างนั้นเป็นประจาตลอดมาต่อมาสทายาทโยมทราบข่าวต่างก็นำผ้าไปบังสกุลถวายท่านที่ป่าชาบ้างตามสายทางที่ท่านไปบินทบดีบ้างตามบริเวณที่พักท่านบ้างที่กุฎีหรือแคร่ที่ท่านพักบ้าง การบางสุกุลที่ท่านเคยทำมาดั้งเดิมก็ค่อยเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ที่พาให้เป็นไปท่านเลยต้องชักบางสกุลผ้าที่เขามาทอดไว้ตามที่ต่างๆในข้อนี้ปรากฏว่าท่านพยายามรักษามาตลอดอวสานแห่งชีวิตท่านว่าพระเราต้องทำตัวเหมือนข้ากี่ริ้วที่ปราศจากราคาค่างวดใดๆแล้วจึงเป็นความสบายการกินอยู่หลับนอนและใช้สอยอะไรก็สบาย การเกี่ยวข้องกับผู้คนก็สบายไม่มีทิฐิมานะความถือตัวว่าเราเป็นพระเป็นเนนผู้สูงศักดิ์ด้วยศีลธรรมพระศีลธรรมอันแท้จริงไม่ได้อยู่กับความสําคัญเช่นนั้นแต่อยู่กับความไม่ถือตัวยั่วกิเลสอยู่กับความตรงไปตรงมาตามผู้มีสัตว์มีศีลมีธรรมความสม่ำเสมอเป็นเครื่องครองใจนี่แหละคือศีลธรรมอันแท้จริงไม่มีมานะรมาแอบแฝงทํำลายได้ อยู่ที่ใดก็เย็นกายเย็นใจไม่มีภัยทั้งแก่ตัวและผู้อื่นการปฏิบัติทุดงขวัดข้อนี้เป็นเครื่องทาลายกิเลสมานะความสำคัญตนในแง่ต่างๆได้ดีผู้ปฏิบัติจึงควรเข้าใจระหว่างตนกับสินธรรมด้วยดีอย่าปล่อยให้ตัวมานะเข้าไปยื้อแย่งครอบครองสินธรรมภายในใจได้จะกลายเป็นผู้มีเขียวมีเขาแฝงขึ้นมาในสินธรรมอันเป็นธรรมชาติเยือกเย็นมาดั้งเดิม การฝึกหัดปรมานตนให้เป็นเหมือนผ้าเช็ดเท้าจนเคยชินโดยไม่ยอมให้ตัวทิฏฐิมานะโผล่ขึ้นมาว่าตัวมีราคาค่างวดนี้เป็นทางก้าวหน้าของธรรมภายในใจโดยสม่ำเสมอจนกลายเป็นใจธรรมชาติเป็นธรรมธรรมชาติไม่วันวายเหมือนแผ่นดินใครจะทำอะไรอะไรก็ไม่สะเทือนใจจิตที่ปราศจากทิฏฐิมานะทุกประเภทโดยประการทั้งปวงแล้วย่อมเป็นจิตที่คงที่ต่อเหตุการณ์ดีชั่วทั้งมวล การปฏิบัติต่อบางสกุลทีวรท่านถือว่าเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยตัดทอนลบล้างตัวมีราคาที่ฝังอยู่ในใจอย่างลึกลับให้สูญสซากลงได้อย่างมั่นใจข้อหนึ่งการอยู่ป่าเป็นวัดตามธุดงระบุไว้ท่านก็เริ่มเห็นคุณแต่เริ่มฝึกหัดอยู่ป่าเป็นต้นมาทําให้เกิดความวิเวทวังเวงอยู่คนเดียวตาเหลือบมอง p l a ทิ t ทางใดก็ล้วนเป็นทัศนียภาพเครื่องปลุกประสาทให้ตื่นต้นอยู่เสมอ ไม่ประมาทนอนใจนั่งอยู่ก็มีสติยืนอยู่ก็มีสติเดินอยู่ก็มีสตินอนอยู่ก็มีสติกําหนดทำทั้งหลายที่มีอยู่รอบตัวเว้นแต่หลับเท่านั้นในอิยาบถทั้งสี่เต็มไปด้ความปลอดโปร่งโล่งใจไม่มีพันธะใดๆมาผูกพันมองเห็นแต่ความมุ่งหวังพ้นทุกข์ที่เ ต, ตรียมพร้อมอยู่ภายในไม่มีวันจืดจางและอิ่มพอยิ่งพักอยู่ในป่าเปลี่ยวอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทุกชนิด ซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านด้วยแล้วใจปรากฏว่าตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะประหนิงจะทยานเหาะขึ้นจากลมลึกคือกิเลสในเดี๋ยวนั้นราวกับนกจะเหาะบินขึ้นบนอากาศฉะนั้นความจริงกิเลสก็คงเป็นกิเลสและฝังอยู่ในใจตามความมีอยู่ของมันนั่นแหละแต่ใจมันมีความรู้สึกไปอีกแง่หนึง่งเมื่อไปอยู่ในที่เช่นนั้นความรู้สึกในบางครั้งเป็นเหมือนกิเลสตายลงไปวันละร้อยละพัน ยังเหลืออยู่บ้างประปายราวตัวสองตัวเท่านั้นเพราะอำนาจของสถานที่ที่พักอยู่ช่วยส่งเสริมทั้งความรู้สึกโดยปกติและเวลาบําเพลินเพียนกลายเป็นเครื่องพยุงใจไปทุกระยะที่พักอยู่ความคิดเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆทั้งสัตว์ ร, ร้ายและสัตว์ดีที่มีอยู่ทั่วไปในบริเวณนั้นก็คิดไปในทางสงสารมากกว่าจะคิดไปในทางเป็นภัย โดยคิดว่าเขากับเราก็มีความเกิดแก่เจ็บตายเท่ากันในชีวิตที่ทรงตัวอยู่เวลานี้แต่เรายังดีกว่าเขาตรงที่รู้จักบุญบาปดีชั่วอยู่บ้างถ้าไม่มีสิ่งนี้แฝงอยู่ภายในใจบ้างก็คงมีน้ำหนักเท่ากันกับเขาเพราะคำว่าสัตว์เป็นคำที่มนุษย์ไปตั้งชื่อให้เขาโดยที่เขาไม่ได้รับทราบจากเราเลย ท, ท, ทั้งๆที่เราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งคือสัตว์มนุษย์ที่ตั้งชื่อกันเอง ส่วนเขาไม่ทราบว่าได้ตั้งเชื่อให้พวกมนุษย์เราอย่างไรหรือไม่หรือเขาขโมยตั้งเชื่อให้ว่ายักษ์ก็ไม่มีใครทราบได้พระสัตว์ชนิดนี้ชอบปลังแกและฆ่าเขาแล้วนําเนื้อมาปรุงเป็นอาหารก็มีฆ่าทิ้งเปล่าๆก็มีจึงน่าเห็นใจสัตว์ที่พวกมนุษย์เราชอบเอารัดเอาเปรียบเขาเกินไปประจํานิสัยและไม่ค่อยยอมให้อภัยแกศัตรูใดง่ายๆแม้แต่พวกเดียวกันยังรังเกยียจและเกลียดชังกัน เบียดเบียนกันฆ่ากันไม่มีหยุดหย่อนและผ่อนเบาลงบ้างเลยในวงสัตว์ก็ร้อนเพราะมนุษย์เบียดเบียนและฆ่าเขาในวงมนุษย์เองก็ร้อนเพราะมนุษย์เบียดเบียนและฆ่ากันเองฉะนั้นสัตว์จึงระเวงระวังมนุษย์ประจำสันดานท่านว่าการอยู่ในป่ามีทางคิดทางไตใ่ตรองได้กว้างขวางไม่มีทางสุดสิ้นสุดทั้งเรื่องนอกเรื่องในซึ่งมีอยู่รอบตัวตลอดเวลาใจที่มีความไข่ต่อทำแดนพนทุกข์ จึงรีบเร่งตักตวงความเพียรไม่มีเวลาลดละบางครั้งหมูป่าเดินเข้ามาหาในบริเวณที่นั้นและมองเห็นท่านกำลังเดินจงกรมอยู่แทนที่มันจะกระโดดโลดเส่นวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่เปล่ามันมองเห็นแล้วก็เดินหากินไปตามภาษาของมันอย่างธรรมดาท่านว่ามันจะเห็นท่านเป็นยักษ์ไปกับมนุษย์ผู้ร้ายกาจทั้งหลายด้วยแต่มันไม่คิดเหมาไปหมดมันจึงไม่รีบวิ่งหนี และเที่ยวขุดกินอาหารอย่างสบายเหมือนไม่มีอะไรในตอนนี้ผู้เขียนขอแทรกบ้างเล็กน้อยเพื่อเรื่องกระจาดขึ้นบ้างอย่าว่าแต่หมูมันไม่กลัวท่านพระอาจารย์มั่นที่อยู่องค์เดียวในป่าเลยแม้แต่วัดป่าพันตาดเมื่อเริ่มสร้างวัดใหม่ๆและมีพระเนนอยู่ด้วยกันหลายรูปหมูป่าเป็นฝุงฝูงยังพากันมาอาศัยนอนไละเที่ยวหากินอยู่ตามบริเวณหน้ากุดีพระเนนในเวลากลางคืน หลางจากที่ท่านเดินชมกลมราวสองสามว่าเท่านั้นได้ยินเสียงมันขุดดินหาอาหารด้วยจมูกดังตุกตับตุกตับอยู่ในบริเวณนั้นไม่เห็นมันโกรธท่านเลยเวลาท่านเรียกกันมาดูและฟังเสียงมันอยู่ใกล้ๆก็ไม่เห็นมันวิ่งหนีไปยังพากันเที่ยวหากินตามสบายในบริเวณนั้นแทบทุกคืนทั้งหมูและพระเนเนเคยชินกันไปเองแต่ทุกวันนี้ยังมีเหลือเล็กน้อยและนานๆพากันมาเที่ยวหากินทีหนึ่ง เพราะอยากที่สัตว์ตั้งชื่อให้ดังท่านพระอาจารย์มั่นว่าไว้เอาไปรับประทานเกือบจะไม่มีสัตว์เหลือค้างแผ่นดินแถบนั้นอยู่แล้วเวลานี้ต่อไปไม่กี่ปีคงจะเรียบไปเองที่ท่านเล่าคงเป็นความจริงในทานองเดียวกันเพราะสัตว์แทกทุกชนิดชอบมาอาศัยพระพระอยู่ที่ไหนสัตว์ชอบมาอยู่ที่นั้นมากแม้ว่าที่อยู่ในเมืองสัตว์ยังต้องมาอาศัยเช่นสุนัขเป็นต้น บางวัดมีเป็นร้อยเพราะท่านไม่เบียดเบียนมันเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่าทําเป็นของเย็นสัตว์โลกจึงไม่มีใครค่อยรังเกียจเป็นกรณีที่สุดวิสัยจะกล่าวเสียเท่าที่ท่านปฏิบัติมา ก, ก่อนท่านว่าป่าเป็นสถานที่ช่วยพยุงใจได้ดีมากฉะนั้นป่าจึงเป็นจุดที่เด่นของพระผู้มีความคล่ายต่อทางพทุกข์จะถือเป็นสมรภูมิสําหรับบําเพ็ญธรรมทุกชั้นโดยไม่ระแวงสงสัยว่า ป่าจะกลับเป็นค่าศึกต่อการบำเพ็ญธรรมตรงกับอนุสาที่พระอุชาอบรมสั่งสอนภิกษุผู้อุปสมบทใหม่ให้พาการสะแสวงหาอยู่ป่าตามอัธยาศัยท่านพระอาจารย์จึงถือทุหลงข้อนี้จนวราระสุดท้ายแห่งขันนอกจากสมัยที่จำต้องอนุโลมผ่อนผันไปตามเหตุการณ์เท่านั้นเพราะทำให้ะระลึกว่าตนอยู่ในป่าซึ่งเป็นที่เปลี่ยวกายเปลี่ยวใจตลอดเวลาจะนอนใจไม่ได้ คุณธรรมจึงมีทางเกิดไม่เดือการหนึน่งทุดงควัดข้อรุกขมูลคือร่มไม้ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันท่านอาจารย์ม่านเล่าว่าขณะที่จิตของท่านจะผ่านโลกามิตรไปได้โดยสิ้นเชิงคืนวันนั้นท่านก็อาศัยอยู่รุกขมูลคือร่มไม้ซึ่งตั้งอยู่โดดเดียวต้นเดียวตอนสำคัญนี้จะรอลงข้างหน้าตามลาดับของการเที่ยวจาริกและการบาเพ็ญของท่านจึงขออภัยท่านผู้อ่านทั้งหลาย โปรดรออ่านข้างหน้าวาระนี้จำจะเขียนไปตามลำดับความจำเป็นก่อนเพื่อเนื้อเรื่องจะไม่ขาดความตามลำดับการอยู่ใต้ร่มไม้ซึ่งปราศจากที่มุงบังและเครื่องป้องกันตัวย่อมทำให้มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอกิตที่ตั้งความรู้สึกไว้กับตัวย่อมเป็นทางผ่อถอนกิเลสไปทุกโอกาสเพราะกายเวทนากิจทม หรือทุกสมุทยนิโรธมรรคที่เรียกว่าสติปัฏฐานและสัจธรรมอันเป็นจุดที่ระลึกรู้ของจิตแต่ละจุดนั้นย่อมเป็นเกราะเครื่องป้องกันตัวเพื่อทำลายกิเลสแต่ละประเภทได้อย่างมั่นเหมาะซึ่งไม่มีที่อื่นใดจะยิ่งไปกว่าฉะนั้นจิตที่ระลึกรู้อยู่กับสติปัฏฐานหรืออริยสัจเพราะความเปลี่ยวและความกลัวเป็นเหตุจึงเป็นจิตที่มีหลักยึด เพื่อการรบทิงชัยเอาตัวรอดโดยสุขโตตามทางอริยธรรมไม่มีผิดพลาดผู้ประสงค์อยากทราบเครื่องของตัวอย่างละเอียดทั่วถึงโดยทางที่ถูกและปลอดภัยจึงควรแสวงหาธรรมและสถานที่ที่เหมาะสมเป็นเครื่องพยุงทางความเพียรจะช่วยให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็นอยู่มากดังนั้นทุดงขวัตข้ออยู่ลุกขมูลจึงเป็นธรรมเครื่องทาลายกิเลสได้เป็นอย่างดีเสมอมา ที่ควรสนใจเป็นพิเศษอีกข้อหนึ่งทุดงควาทที่เกี่ยวกับการเยี่ยมป่าช้าเป็นทุดงเครื่องปลูกเตือนพระและหมู่ชนมิให้ประมาทในเวลามีชีวิตอยู่โดยเข้าใจว่าตัวจะไม่ตายความจริงก็คือคนที่เริ่มตายเล็กตายน้อยตายไปอยู่ทุกเวลานั่นเองเพราะคนที่ตายจนถึงกับย้ายบ้านใหม่ไปปลูกสร้างกันอยู่ที่ป่าช้าจนดาดดนแทบจะหาที่เผาและที่ฝังกันไม่ได้ก็ล้วนแต่ คนที่เคยตายเล็กตายน้อยมาแล้วเช่นพวกเราผู้ยังมีชีวิตอยู่นี่เองจะเป็นคนแปลกหน้ามาจากที่ไหนพอจะเห็นว่าเราเป็นคนที่แปลกกว่าเขาแล้วประมาทว่าตนจะไม่ตายที่ท่านสอนให้เยี่ยมญาติพี่น้องผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็เพื่อเตือนไม่ให้หลงลืมญาติพี่น้องอันดั้งเดิมในป่าช้านั่นเองเพื่อจะได้ท่องบทไว้ในใจว่าเรามีความแก่เจ็บตายอยู่ประจำตัวทุกนากัน ไม่มีใครจะ ก, กล้าอุตริเย่อหยิงตัวว่าจะไม่เกิดแก่เจ็บตายได้เมื่อสายทางแห่งวัฏฏะที่ตนยังท่องเที่ยวเรียนสู่อยู่ยังไม่จบพะซึ่งเป็นเพทที่เตรียมพร้อมแล้วเพื่อความอดทนจึงควรศึกษามูลเหตุแห่งวัฏฏทุกที่มีอยู่กับตนคือความเกิดแก่เจ็บตายทั้งภายนอกคือการเยี่ยมป่าชา้าอันเป็นที่เผาศพทั้งภายในคือตัวเองอันเป็นป่าช้าร้อยแปดันเก้า แห่งศพที่นำมาฝังหรือบรรจุอยู่ในตัวตลอดเวลาทั้งเก่าและใหม่จนนับไม่ครบและแทบเรียนไม่จบให้จบสิ้นลงด้วยการพิจารณาธรรมสังเวศโดยทางปัจจเวศขณะคือองค์สติปัญญาเครื่องทดสอบแยกแยะหามูลความจริงไม่นิ่งนอนใจทั้งรักบดและคารวาที่ชอบเข้าเยี่ยมทั้งป่าช้านอกและป่าช้าในตัวเองโดยการพิจารณาความตายเป็นต้นเป็นอารมณ์ย่อมมีทางถอถอนความ พเพย์เยอะยิงในวัยในชีวิตและในวิทยาฐานะต่างๆออกได้อย่างน่าชมไม่ชอบพยองพองตัวในแง่ต่างๆตามนิสัยของมนุษย์ซึ่งมักมีความพิศดารประจำชาอยู่เป็นนิดทั้งจะเห็นโทษแห่งความบกพร่องของตัวและพยายามแก้ไขไปไปเป็นลำดับมากกว่าจะไปเห็นโทษคนอื่นแล้วนำมานินทาเขาซึ่งเป็นการสังสงความไม่ดีใส่ตนประจานิสัยมนุษย์ที่ชอบเป็นกันอยู่ทั่วไป เหมือนโรคระบาดเรือรังชนิดแก้ไม่หายหรือไม่สนใจจะแก้นอกจากจะเพิ่มชื้อให้มากขึ้นเท่านั้นป่าช้าเป็นสถานที่อำนวยความรู้ความฉลาดให้แต่ผู้สนใจพิจารณาอย่างกว้างกว้างเพราะคาว่าป่าช้าเป็นจุดใหญ่ที่สุดของโลกทุกคนทุกเพศทุกวัยและทุกชาติชนวันนะจําต้องประสบด้วยกันจะกระโดดข้ามไปไม่ได้เพราะไม่ใช่คลองเล็กๆพอจะก้าวข้ามไปอย่างง่ายได้ โดยมิได้พิจารณาจนรู้รอบขอบชิดก่อนดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันท่านข้ามไปแม้เช่นนั้นก็ปรากฏว่าท่านต้องเรียนวิชาจากสถาบันใหญ่คือความเกิดแก่เจ็บตายจนเจี่ยวชานทุกๆแขนงก่อนแล้วจึงโดดข้ามไปอย่างสบายหายห่วงไม่ต้องติดบ่วงแห่งมารอยู่เหมือนพวกที่ลืมตนลืมตายไม่สนใจพิจารณาเรื่องของตัวคือมรณธรรมอันกว้างหน้าอยู่ ซึ่งจะต้องโดนในไมชานี้การเยี่ยมป่าช้าเพื่อพิจารณาความตายจึงเป็นทางผ่อนคลายหายกลัวทั้งเรื่องของตัวเองและเรื่องของคนอื่นได้อย่างไม่มีประมาณจนเกิดความอาถรรพ์ต่อความตายทั้งทั้งที่โลกกลัวกันทั่วดินแดนซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็ได้เป็นไปในวงของนักปฏิบัติธรรมมาแล้วมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยม เสร็จแล้วจึงประทานพระโอวาทเกี่ยวกับการพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายไว้ทุกแง่ทุกมุมเพื่อมูชนผู้มีความรับผิดชอบในตนและผู้เกี่ยวข้องได้นำไปพิจารณาหาทางแก้ไขบรรเทาความมัวเมาเขาปัญญาของตนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นเวลาที่พอดิบพอดียังไม่สายเกินไปเมื่อสิ้นลมหายใจจนไปถึงสถาบันใหญ่แล้วต้องนับว่าหมดหนทางแก้ไข มีอยู่เพียงอย่างเดียวคือถ้าไม่เผาก็ต้องก็ต้องฝังเท่านั้นจะพาไปรักษาศีลภาวนาทำบุญสุนทานอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วท่านพระอาจารย์มั่นท่านเห็นคุณของการเยี่ยมป่าช้าว่าเป็นสถานที่ที่ให้สติปัญญารอบ ร, รู้กับเรื่องของตนตลอดมาท่านจึงสนใจเยี่ยมป่าชานอกและป่าชานายอยู่เสมอแม้พระบางองค์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็ยังพยายามตะเกียกตะกายปฏิบัติตามท่าน ทั้งๆ ท, ที่ตนเป็นพระที่กลัวผีมากซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินกันในคำว่าพระกลัวผีและทํากลัวโลกแต่พระองค์นั้นได้เป็นพระที่กลัวผีเสียแล้วถ้าเล่าให้ฟังว่าพระองค์หนึ่งเที่ยวสุโรงไปพักอยู่ในป่าใกล้กับป่าช้าแต่เจ้าตัวไม่รู้ว่าถูกโยมพาไปพักกริงป่าช้าเพราะไปถึงหมู่บ้านนั้นตอนเย็นๆและถามถึงป่าที่ควรพักบําเพพียน โยงก็ชีบอกตรงป่านั้นว่าเป็นที่เหมาะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นป่าช้าแล้วพาท่านไปพักที่นั้นพอพักได้เพียงคืนเดียววันต่อมาก็เห็นเขาหามผีตายผ่านมาที่นั้นเลยไปเผาที่ป่าช้าซึ่งอยู่ห่างจากที่พักท่านประมาณหนึ่งเส้นท่านมองตามไปก็เห็นที่เขาเผาอยู่อย่างชัดเจนองท่านเองพอมองเห็นหีบศพที่เขาหามผ่านมาทรรนั้นก็ชักเริ่มกลัวใจไม่ดี แต่ยังนึกว่าเขาจะหามผ่านไปเผาที่อื่นแม้เช่นนั้นก็นึกกันทุกไว้เผื่อตอนกลางคืนอยู่อีกกลัวว่าภาพนั้นจะมาหลอกหลอนทำให้นอนไม่ได้ตอนกลางคืนความจริงที่ท่านพักอยู่กลับเป็นริมป่าช้าและยังได้เห็นเขาเาผาผีอยู่ต่อหน้าซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลเลยท่านยิ่งคิดไม่สบายใจและเป็นทุกข์ใหญ่คือทั้งจะคิดเป็นทุกข์ในขณะนั้น ได้คิดเป็นทุกข์เผื่อตอนกลางคืนอีกใจเริ่มกระวนกระวายเอาการอยู่นับแต่ขณะที่ได้เห็นศพทีแรกเมื่อตกกลางคืนยิ่งกลัวมากและหายใจแทบไม่ออกปรากฏว่าติดตังไปหมดน่าสงสารที่พระกลัวผีถึงขนาดนี้ก็มีจึงได้เขียนลงเพื่อท่านผู้อ่านที่เป็นนักกลัวผีจะได้พิจารณาดูความบึกบุญที่ท่านพยายามต่อสู้กับผีในคราวนั้นจนเป็นประวัติการอันเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสีย มีอยู่ในเนื้อเรื่องอันเดียวกันนี้พอเขากลับกันหมดแล้วท่านเริ่มเกิดเรื่องยุ่งกับผีแต่ขณะนั้นมาจนถึงตอนเย็นและกลางคืนจิตใจไม่เป็นอันเจริญสมาธิภาวนาเอาเลยหลับตาลงไปทีไรปรากฏว่ามีแต่ผีเข้ามาเยี่ยมถามข่าวถามคราวความทุกข์สุขดิบต่างๆอันสืบสาวยาวเหยียดไม่มีประมาณและปรากฏว่าพากันมาเป็นพวกๆ ก, ก็ยิ่งทาให้ท่านกลัวมาก แทบไม่มีสติยับยั้งตั้งตัวได้เลยเรื่องเริ่มแต่ขณะมองเห็นศพที่เขาหามผ่านหน้าท่านไปจนถึงกลางคืนไม่มีเวลาเบาบางลงบ้างพอให้หายใจได้นับว่าท่านเป็นทุกข์ถึงขนาดที่จะทนอดกั้นได้นับแต่วันบวชมาก็เพิ่งมีครั้งเดียวเท่านั้นที่ต่อสู้กับผีในมโนภาพอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงท่านจึงพอมีสติระลึกได้บ้างว่าที่เราคิดกลัวผีก็ดี ที่เข้าใจว่าผีพากันมาเยี่ยมเราเป็นพวกๆกดีอาจไม่เป็นความจริงก็เป็นได้และอาจเป็นเรื่องเราวาดมโนภาพศพขึ้นมาหลอกตนเองให้กลักวเปล่าๆมากกว่าอย่ากระนั้นเลยเพราะถึงอย่างไรเราก็เป็นพระธุดงค์กรรมฐานทั้งองค์ที่โลกให้นาว่าเป็นพระที่เก่งกาจอาถานเอาจริงเอาจังและเป็นพระประเภทที่ไม่กลัวอะไรอๆ ไ, ไม่ว่าจะเป็นผีที่ตายแล้ว เรื่อเป็นผีเปรตผีหลวงผีทะเลอะไรๆมาหลอกก็ไม่กลัวแต่เราซึ่งเป็นพระทูดงที่โลกเคยยกยอรสรรเสริญอย่างยิ่งมาแล้วว่าไม่กลัวอะไรแล้วทาไมจึงมาเป็นพระที่อาพับอับเฉาวาสนาบวชมากลัวผีกลัวเปรตกลัวลมกลัวแล้งอย่างไม่มีเหตุมีผลเอาได้เป็นที่นาอับอายขายหน้าหมกาุกคณะซึ่งเป็นพระทูดงกรรมฐานด้วยกันเสียเรี่ยวแรงและกําลังใจของโลกที่อุตส่าห์ยกยอให้ว่าเป็นพระดี พะไม่กลัวผีกลัวเปรตครันแล้วก็เป็นพระอย่างนี้ไปได้เมื่อท่านพน า, นาคุณของพระธุดงและจำหนิตัวเองว่าเป็นพระเลวหลายไม่เป็นท่าแล้วก็บอกกับตัวเองว่านับแต่ขณะนี้เป็นต้นไปซึ่งขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนเรามีความกลัวในสถานที่ใดจะต้องไปในสถานที่นั้นให้จงได้ก็บัดนี้ใจเรากําลังกลัวผีที่กําลังถูกเผาซึ่งมองเห็นกองไฟอยู่ในป่าชานั้น เราต้องไปที่นั้นให้ได้ในขณะนี้ว่าแล้วก็เตรียมตัวครองท่าออกจากที่พักเดินตรงไปที่ศพซึ่งกำลังถูกเผาและมองเห็นอยู่อย่างชัดเจนทันทีพอออกเดินไปได้ไม่กี่ก้าวขาชักแข็งกล้ามค่อยออกซะแล้วใจทั้งเต้นทั้งสัน่นตัวร้อนมันถูกแดดเผาเวลากลางวันเงอแตกโชคไปทั้งตัวเห็นท่ามาดการจึงรีบเปลี่ยนวิธีใหม่ คือเดินแบบเท้าต่อเท้าติดๆกันไปไม่ยอมให้หยุดอยู่กับที่ตอนนี้ท่านต้องบังคับใจยอย่างเต็มที่ทั้งกลัวทั้งสัน่นแทบไม่เป็นตัวทังตัวเหมือนอะไรๆมันจะสุดๆสิ้นสินไปเสียแล้วเวลานั้น <c oughs> แต่ท่านไม่ถอยความพยายามที่จะก้าวไปให้ถึงแบบเอาเป็นเอาตายเข้าว่ากันสุดท้ายก็ไปจนถึงพอไปถึงศพแล้วแทนที่จะสบายตามความรู้สึกในสิ่งทั่วๆไปว่า สมประสงค์แล้วแต่เวลานั้นปรากฏว่าตัวเองจะเป็นลมและลืมหายใจไปจนแล้วจนรอดจึงข่มใจพยายามดูศพที่กำลังถูกเผาทั้งๆ ท, ที่กำลังกลัวแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังไปอยู่แล้วพอมองเห็นกระโหลกศีรษะผีที่ถูกเผาจนไหม้และขาหมดแล้วใจก็ยิงกำเริบกลัวใหญ่แทบจะพาเหาะลอยไปในขณะนั้นจึงพยายามสะกดใจไว้ แล้วพานั่งสมาธิลงตรงหน้าศพห่างจากเปลไฟเผาศพพอประมาณโดยหันหน้ามาทางศพเพื่อทำศพให้เป็นเป้าหมายของการพิจารณาบังคับใจที่กําลังกลัวๆให้บริกรรมว่าเราก็จะตายเช่นเดียวกับเขาคนนี้ไม่ต้องกลัวเราก็จะตายไม่ต้องกลัวเราก็จะตายกลัวไปทำไมไม่ต้องกลัวขณะที่นั่งบังคับใจให้บริกรรมภาวนาความตายอยู่ด้วยทางความกระวนกระวายเพราะ กลัวผีนั้นได้ปรากฏเสียงแฝงปรหลาดขึ้นข้างหลังเสียงบาดย่างเท้าดันเข้ามาเป็นบทเป็นบาดเหมือนมีอะไรเดินมาหาท่านซึ่งกำลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่และเดินเดินหยุดหุดเป็นลักษณะจ ด, จ, ดจ้องจองคล้ายจะมาทำอะไรท่านซึ่งเป็นความรู้สึกที่คิดขึ้นในขณะนั้นก็ยิ่งทำให้ใจกำเริบใหญ่ถึงขนาดจะวิ่งหนีและร้องออกมาดังๆว่าผีมาแล้วช่วยด้วย เทียบทางวัตถุ ก, ก็ยังอีกเส้นผมเดียวที่ท่านจะออกวิ่งท่านอดใจรอฟังไปอีกก็ได้ยินเสียงค่อยๆเดินมาข้างๆห่างท่านประมาณสามวาแล้วก็ได้ยินเสียงเคี้ยวอะไรครอบแกรบยิ่งทําให้ท่านคิดไปมากกว่ามันจะมาเคี้ยกินอะไรทีนี่เสร็จแล้วก็จะมาเคี้ยวเอาศาีรษะเราไว้อีกก็เป็นอันว่าเราต้องจบเรื่องกับผีตัวร้ายกาศไม่ไว้หน้าใครอยู่ที่นี่แน่ๆพอคิดขึ้นมาถึงตอนนี้ ท่านอดทนทนไม่ไหวจึงคิดจะิืมตาขึ้นดูมันเพื่อเห็นท่ามริการจะได้เตรียมวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดดีกว่าจะมายอมจอดจมให้ผีตัวไม่มีความดีอะไรเลยกินเปล่าเมื่อชีวิตรอดไปได้เรายังมีหวังได้บำเพ็ญเพียรต่อไปยังจะมีกําไรกว่าการเอาชีวิตของพระทั้งองค์มาให้ผีกินเปล่าพอปรงตกแล้วก็เรียกลืมตาขึ้นมาดูผี ตัวกำลังเคี้ยวอะไรกรอบๆอยู่ขณะนั้นพร้อมกับเตรียมตัวจะวิ่งเพื่อเอาตัวรอดหวังเอาชีวิตไปจอดข้างหน้าพอลืมตาขึ้นมาดูจริงๆสิ่งที่เขาใจว่าผีตัวร้กาดเลยกลายเป็นสุนัขบ้านออกมาเที่ยวเก็บกินเศษอาหารที่เขานำมาเพื่อเส้นผู้ตายตามประเพณีซึ่งไม่สนใจกับใครและมาจากที่ไหนคงเที่ยวหากินไปตามภาษาศ า, ศาสตร์ซึ่งเป็นผู้อาภัพทางอาหารประจาชาติตามคำนิยม ส่วนพระธุดง์กรรมฐานพอลืมตาขึ้นมาเห็นสุนัขอย่างเป็นตาแล้วเลยทั้งฮือร้อตัวเองและคิดพูดทางใจกับสุนัขตัวไม่รู้ภาษาและไม่สนใจกับใครนั้นว่าแหมสุนัขตัวนี้มีอำนาจวาสนามากจริงทําเอาเราแทบตัวเปลิยวไปได้และเป็นประวัติการอันตําคัญต่อไปไม่มีสิ้นสุดทั้งเกิดความสลดสังเวชตนอย่างยิ่งที่ไม่เป็นท่าเอาเลยทั้งทั้งที่ได้พูดกับตัวเองแล้วว่า จะเป็นนักสู้แบบเอาชีวิตเข้าประกันแต่พอเข้ามาเยี่ยมศพในป่าช้าและได้ยินเสียงสุนัขมาที่ยวหา ก, กินเท่านี้ก็แทบต่างตัวไม่ติดและจะเป็นคำมัฐานบ้าวิ่งะเตลิดเปิดเปิงไปจนได้ยังดีที่มีพระธรรมท่านเมตตาไว้ให้รออยู่ประมาณผมเส้นหนึ่งพอรู้เหตุผลต้นปลายบ้างไม่เช่นั้นคงเป็นบ้าไปเลยโอ้โหเล่านี้โง่และอยากถึงขนาดนี้เคี้ยวหรือ ควรจะคลองผ้าเหลืองอันเป็นเครื่องหมายของสิทธิพระตถาคตผู้องค์อาจกล้าหาันไม่มีใครเสมอเหมือนอีกต่อไปแลหรือและควรจะไปบินทบาทจากชาวบ้านมากินให้สิ้นเปลืองของเขาเปล่าเล่าด้วยความไม่เป็นท่าของเราอยู่อีกหรือเราจะปฏิบัติต่อตัวเองที่แสนต่ำทรามอย่างไรบ้างจึงจะสะสมกับความเลวทรามไม่เป็นท่าของตนซึ่งแสดงอยู่ขณะนี้ลูกสิทธิพระตถาคตผู้โงเเขาและต่ำทรามขนาดเหล่านี้ จะยังมีอยู่อีกให้หนักพระาศาสนาต่อไปอีกไหมหนอขนาดมีเราเพียงคนเดียวเท่านี้ค็นับว่าจะทําพระาศาสนาให้สวยพอแล้วถ้าเขินมีอีกเช่นเหล่านี้พระาศาสนาคงแย่แน่แนความกลัวผีซึ่งเป็นเรื่องกดทวงให้เราเป็นคนต่ํารามไม่เป็นท่านั้นเราจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรรีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้ถ้ารอไปนานก็ขอให้เราตายซะดีกว่า อย่ามายอมตัวให้ความกลัวผีเหยียบย่ำบนหัวใจอีกต่อไปเลยอายโลกเขาแทบไม่มีแผ่นดินจะให้คนหนักพระาศาสนาอยู่ต่อไปอีกแล้วพอพร่ำสอนตนจบลงท่านทําความเข้าใจกับตัวเองว่าถ้าไม่หายกลัวผีเมื่อไรจะมายอมหนีจากที่นี้อย่างเด็ดขาดตายก็ยอมตายไม่ควรอยู่ให้หนักโลกและพระาศาสนาต่อไปคนอื่นยังจะเอาอย่างไม่ดีไปใช้อีกด้วยและจะกลายเป็นคนไม่เป็นท่าไปหลายคน และหนักพระศาสนายิ่งขึ้นไปอีกมากมายตั้งแต่ขณะนั้นมาท่านตั้งใจปฏิบัติต่อความโกรอย่างโกรธขันโดยเข้าไปอยู่ป่าช้าทั้งกลางวันกลางคืนจิดเอาคนที่ตายไปแล้วมาเทียบกับตนซึ่งยังเป็นอยู่ว่าเป็นส่วนผสมของธาตุเช่นเดียวกันเวลาใจยังครองตัวอยู่ก็มีทางเป็นสัตว์เป็นบุคคลสืบต่อไปเมื่อปราศจากใจครองเพียงอย่างเดียว ถ้าทั้งมวลที่ผสมกันอยู่ก็สลายลงไปที่เรียกว่าคนตายและยึดเอาความสําคัญที่ไปหมายสุนัทั้งตัวที่มาเที่ยวหากินในป่าช้าว่าเป็นผีมาสอนตัวเองว่าเป็นความสําคัญที่เหลวไหลจนบอกใครไม่ได้ไม่ควรเชื่อถือว่าเป็นสาระต่อไปกับคําว่าผีมาหลอกความจริงแล้วคือใจหลอกตัวเองทั้งเพการกลัวก็กลัวเพราะใจหลอกหลอนตัวเองถูกกบเพราะความเชื่อความหลอกลวของใจ จนทำให้เป็นทุกข์แทบจะเป็นจะตายและแทบจะเสียคนไปทั้งคนในขณะนั้นผีจริงไม่ปรากฏว่ามาหลอกหลอนเราเคยหลงเชื่อความคิดความหมายมั่นปั้นเรื่องหลอกลวงต่างๆของจิตมานานแต่ยังไม่ถึงขั้นจะพาตัวให้ลงจมเหมือนครั้งนี้ทําทั้งสอนไว้ว่าสัญญาเป็นเจ้ามา่านั้นแต่ก่อนเรายังไม่ทราบความหมายชัดเจนเพิ่งมาทราบเอาตอนจะตายทั้งเป็นและจะเหม็นทั้งที่ยังไม่เน่า ขนาดกรัวผีที่ถูกเจ้าสัญญาหลอกและต้งตุ่นนี้เองต่อไปนี้สัญญาจะมาหลอกกลาเหมือนจะก่อนไม่ได้แน่นอนเราจะต้องอยู่ป่าชานี้จนกว่าเจ้าสัญญาที่เคยหลอกตายไปเสียก่อนจนไม่มีอะไรมาหลอกให้กรัวผีต่อไปถึงจะหนีไปที่อื่นเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะทรมานสัญญาตัวปลิ้นป้อนหลอกลวงเก่งๆนี้ให้ตายไปจนได้เผาศพมันเหมือนเผาศพผีตายดังที่เราเห็นเมื่อวานเสียก่อน เมื่อชีวิตยังอยู่อยากไปที่ไหนเราถึงจะไปที่หลังตอนนี้ถึงขั้นเด็ดขาดกับสัญญาท่านก็เด็ดจริงๆและทรมานถึงขนาดที่สัญญาหมายขึ้นว่าผีมีอยู่ณที่ใดและเกิดขึ้นขณะใ ด, ดท่านต้องไปที่นั้นเพื่อดูและรู้เท่ามันทันทีจนสัญญาเผยตัวขึ้นไม่ได้ในคืนวันนั้นเพราะท่านไม่ยอมหลับนอนเอาเลยตั้งหน้าต่อสู้กับผีภายนอก คือสุนัขซึ่งเกือบเสียตัวไปกับมันพอได้เงื่อนและได้สติท่านก็ย้อนกลับมาต่อสู้กับผีภายในให้หมอปราบไปตามๆกันนับแต่ขณะที่รู้ตัวแล้วความกลัวผีไม่เคยเกิดขึ้นรอบกวนท่านได้อีกตลอดทั้งคืนแม้คืนต่อมาท่านก็ตั้งท่ารอความกลัวนั้นยังแข็งแกร่งตลอดไปจนกลายเป็นพระองค์กล้าหานต่อหลายๆสิ่งขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อแต่เรื่องก็เป็นความจริงจากท่านมาแล้ว จนเป็นเรื่องฝังใจและตั้งตัวได้เพราะผีเป็นเหตุแต่บัดนั้นเป็นต้นมาความโกรธผีจึงเป็นธรรมเทศนากันเอกโปรดท่านให้กลายเป็นพระอันแท้จริงขึ้นมาองค์หนึ่งถึงได้นํามาแทรกลงในประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นเผื่อท่านผู้อ่านได้นําไปเป็นคติต่อไปคงไม่ไร้สาระไปเสียทีเดียวเช่นกับประวัติของท่านผู้เป็นอาจารย์ซึ่งเป็นประวัติที่ให้คติแก่โลกอยู่เวลานี้ ฉะนั้นการเยี่ยมป่าช้าจึงเป็นความสําคัญสําหรับทูดงขวัตประจําสมัยตลอดมาหนึ่งการถือตรายีวรนคือผ้าสามผืนเป็นวัดท่านพระชารย์มั่นถือปฏิบัติมาแต่เริ่มอุปสมบทไม่ลดละจนถึงวัยชราจึงลดหย่อนพรตามธาตุขันที่ต้องการความปรุงมากขึ้นทุกระยะที่ท่านปฏิบัติเช่นนั้นโดยเห็นว่าพระทูดงกำมือฐานครั้งนั้นไม่อยู่ประจําที่นักนอกจากในพรรษาเท่านั้น ต้องเที่ยวไปในป่านั้นไปภูเขาลูกนี้อยู่เสมอการตายก็ต้องเดินด้วยเท้าเปล่าไม่มีรถราเหมือนสมัยนี้มีบริการมากน้อยต้องสะพายไปเองช่วยตัวเองทั้งนั้นของใครของเราช่วยกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีพอกับกําลังของตัวจะมีมากกว่านั้นก็เอาไปไม่ไหวทั้งเป็นความไม่สะดวกพะรุงพะรังอีกด้วยจึงมีเฉพาะที่จําเป็นจริงๆ นานไปก็กลายเป็นความเคยชินตอนน่อหนิใสแม้มีผู้มาถวายก็ให้ทานผู้อื่นไปไม่สังสมให้เป็นการกักงวลเพราะสมณะเรามีความสวยงามอยู่กับการปฏิบัติดีและไม่สังสมเวลาตายไปให้มีแต่บริขารแต่ซึ่งเป็นของจําเป็นสําหรับพระเท่านั้นเป็นความงามอย่างยิ่งเมื่อมีชีวิตอยู่ก็สง่าผ่าเผยด้วยความจนแบบพระเวลาตายก็เป็นสุขโตไม่มีอารมณ์กับสิ่งใด อันเป็นเกียรติอย่างยิ่งของพระผู้ตายด้วยความจนมนุษย์และเทวดาสรรเสริญทุดงขวัตข้อนี้จึงเป็นเครื่องประดับสมณะให้งามตลอดอวสานข้อนึงทุดงขวัตเหล่านี้ท่านเคยปฏิบัติมาเป็นประจำไม่ลดละปรากฏว่าเป็นผู้คล่องแคล่วชำนิชาในทางนี้อย่างยากจะหาผู้เสมอได้ในสมัยปัจจุบันและได้ อ, อบรมสั่งสอนพระเนนผู้มาศึกษาอบรมด้วยทุโดงขวัตเหล่านี้ คือท่านพาอยู่รุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาในถ้ำมุมผาป่าช้าซึ่งล้วนเป็นสถานที่เปล่าเปลี่ยวน่ากลัวพาบินทบาทเป็นกิจวัตรประจำวันด้วยพารับอาหารที่มีผู้ตามทรงทีหลังข้อนี้คณะศรัทธาเมื่อทราบอัธยาศัยท่านแล้วเขามีอาหารคาหวานอย่างไรก็พากันจัดใส่บาถวายท่านไปพร้อมเสร็จไม่ต้องไปส่งให้ลาบากพาฉันสำรวมในบาต ไม่มีภาชนะ ช, ชนิดสำหรับใส่อาหารทั้งคาวหวาน ร, รวมลงในบาตใบเดียวพาฉันมือเดียวคือวันเราผนมาเป็นประจำจนอวสานสุดท้ายพระเนนที่เป็นลูกศิษย์ตลอดครวาดญาติโยมนับวันแน่นหนาะขึ้นเป็นลําดับท่านไปพักณที่ใดมีพระเนนพยายามติดสอยห้อยตามเป็นจำนวนมากวางสมัยมีพระเนนอยู่กับท่านราวหกสิบถึงเจ็ดสิบรูปก็มีที่พักอยู่แถวบริเวณใกล้เคียงก็ ยังมีอีกมากแต่ท่านพยายามระบายพระเนรให้แยกย้ายกันไปอยู่ในที่ต่างๆไม่ไกลกันพอไปมาหาสูเพื่อศึกษาอาธรรมในเวลาเกิดความสงสัยสะดวกแลเหมอกแก่การบำเพ็ญธรรมไม่หลายองค์เกินไปจนกลายเป็นความไม่สงบวันอุโบสถปาติโมกต่างก็ทยอยมารวมกันทำที่สำนักท่านหลังจากปาติโมกแล้วท่านให้อวาสั่งสอนและแก้ปัญหาข้อห้องใจ แก่ผู้มีความสงสัยเรียนถามเป็นเรายๆไปจนเป็นที่พอใจแล้วต่างองค์ก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนด้วยความอิ่มเอิบในธรรมที่ได้รับจากท่านและต่างก็ตั้งหน้าปฏิบัติด้วยความสนใจทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญาตามภูมิและกําลังของตนตลอดข้อวัดปฏิบัติอย่างอื่นที่เป็นอุปกรณ์แก่การบําเพ็ญพระเนนแม้จะอยู่กับท่านเป็นจํานวนมากในบางสมัย แต่การปกครองเป็นที่เบาใจตลอดมาเพราะท่านที่มาศึกษาต่างพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติตนเพื่อความเป็นคนดีตามโอวาทที่ท่านอบรมสั่งสอนเรื่องราวอันเป็นค่าศึกต่อความสงบจึงไม่ค่อยมีในป่าที่พระเนนกับท่านพักอยู่รวมกันเป็นจานวนมากแต่เป็นเหมือนไม่มีคนอยู่ที่นั้นเลยถ้าไปไม่ถูกกับเวลาที่ท่านมารวมกันเช่นเวลาฉันและเวลาประชุมเท่านั้นนอกเวลาแล้วจะไปหาท่านก็ไม่พบ พระต่างองค์ต่างหลีกเล่นอยู่กับความเพียรคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในป่าเป็นแห่งๆเฉพาะ อ, องค์ทางกลางวันและกลางคืนเวลาท่านประชุมให้อว่าแก่พระเนนตอนกลางคืนจะได้ยินเฉพาะเสียงท่านที่ให้อว่าทเท่านั้นเสียงจากพระเนนแม้จะอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากไม่ปรากฏในขณะนั้นกระแสเสียงและเนื้อธรรมที่ท่านให้อวาาแก่พระเนน รู้สึกซาบซึ้งจับใจไพเราะทาให้ผู้ฟังเคลิ่มไปตามกระแสธรรมจนจนลืมเนื้อลืมตัวลืมความเหน็ดเหนื่อยลืมเวลาเวลาไม่รู้สึกกับสิ่งอื่นใดในขณะนั้นนอกจากกระแสธรรมกับใจสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่อย่างเพลินตัวไม่รู้จักอิ่มพอเท่านั้นการประชุมครั้งหนึ่ ง, งเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อถือเป็นการทําความเพียรทางสมาธิและปัญญา อันเป็นภาคปฏิบัติอยู่กับการฟังในขณะนั้นด้วยพระธุดงค์จึงมีความคเคารพเลื่อมใสในอาจารย์และในการฟังมากเป็นพิเศษเนื่องจากอาจารย์ผู้คอยให้โอวาทตักเตือนและการฟังถือเป็นเส้นชีวิตจิตใจแห่งการปฏิบัติทางภายในของพระธุดงค์จริงๆท่านจึงมีความเคารพรักต่ออาจารย์มากแม้ชีวิตก็ยอมสละแทนได้ที่พระนนท์มีความจงรักภักดีต่อพระพุทองค์ถึงกับ กล้าสละวิ่งออกขัดขวางช้างตัวเมามันที่เทวทัตต่อให้มาทำลายพระองค์ได้อย่างไม่อะไรชีวิตก็เพราะความเคารพรักเป็นสำคัญพระธุดงค์ในสมัยท่านพระอาจารย์มั่นพาดำเนินรู้สึกเป็นไปด้วยความเคารพเชื่อฟังโอวาดอย่างถึงใจพอจะทราบได้เวลาท่านหาอุบายจะให้พระที่อาศัยอยู่กับท่านได้กำลังใจเป็นกรณีพิเศษว่าท่านองค์นั้นควรระอยู่ในป่านั้น องค์นี้ควรไปอยู่ในถ้ำนั้นดังนี้พระองค์ที่ถูกระบุนามจะไม่ขัดขืนและไปด้วยความเคารพเต็มใจจริงๆโดยไม่สนใจคิดว่าจะกลัวหรือจะเป็นจะตายอะไรเลยมีแต่ความดีใจและมั่นใจว่าตัวจะต้องได้กำลังใจจากสถานที่ที่ท่านแสดงอุบายให้ไปท่าเดียวและตั้งใจบำเพ็ญเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนไม่หยุดยั้งลดละมีความมุ่งมั่นต่อผลที่จะพึงได้จากความเพียร ในสถานที่นั้นตามคําที่ท่านแนะให้ไประหนึ่งได้รับคําพยากรณ์จากท่านมาแล้วอย่างมั่นใจว่าเมื่อพักอยู่ที่นั้นจะได้ผลอย่างนั้นทํานองพระอานนท์ที่ได้รับคําพยากร์จากพระพุทธเจ้าเวลาจะเสด็จปรินิพานว่าอีกสามเดือนเธอจะไปเป็นผู้ไม่มีกิเลสเหลืออยู่ในใจคือจะได้ตรัสรู้เป็นพระอระหันตบุคคลในวันทำสังคารนาแน่นอนฉะนั้น เหล่านี้พอจะทราบเลยว่าความเคารพเชื่อฟังครูอาจารย์เพื่อผลที่ตนมุ่งหวังเป็นสิ่งสำคัญมากทำให้ผู้นั้นมีความสนใจจดจอ่อไม่เผลอเรอและเลื่อนลอยปล่อยใจปล่อยตัวนับว่าเป็นผู้มีหลักยึดของใจด้วยดีพูดอะไรก็พอรู้เรื่องกันบ้างไม่ต้องพูดซ้ำาๆซักๆจนกลายเป็นเรื่องราคาญและหนักใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยท่านพระอาจารย์มั่น กลับไปภาคอีสานเที่ยวที่สองนี้ทำให้ผู้คนพระเนนตื่นเต้นและกระตือรือร้นกันทั้งภาคเพราะท่านเที่ยวจาริกและอบรมสั่งสอนในที่ต่างๆเกือบทุกจังหวัดเริ่มผ่านไปแต่จังหวัดนครราชสีมาศรีสะเกดอุนบลนครพนมสกลนครอุดรธานีหนองคายเลยรลนศักดิ์เพชรบูรณ์และข้ามไปเวียงจันทร์ท่าแขกประเทศลาว กลับไปมาหลายตลกในแต่ละจังหวัดจังหวัดที่มีป่ามีเขามากท่านชอบพักอยู่นานเพื่อการบำเพ็ญเป็นแห่งๆไปเช่นทางทิศใต้และที่โตันตกเฉียงใต้ของตัวจังหวัดสกนครมีป่ามีเขามากท่านพักจำพรรษาอยู่แถบนั้นคือจำพรรษาที่หมู่บ้านโพนสว่างอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสุลนครแถบนั้นมีแต่ป่าแต่เขา ระทุดงจึงมีประจำไม่ได้ขาดตลอดมาจนทุกวันนี้เพราะท่านเหล่านี้ชอบป่าชอบเขามากเวลาเทีน่นเวลาท่านเที่ยวจาริกในหน้าแรงที่พักกลับนอนโดยมากก็เป็นร้านหรือแคร่เล็กๆปูด้วยฟากที่ทำด้วยไม้ไผ่แแ่ออกเป็นแผ่นแบนๆยาวประมาณหนึ่งวากว้างสองหรือสามอกสูงประมาณหนึ่งอกเฉพาะแต่ละรูปอยู่ห่างกันตามแต่ป่าที่ไปอาศัยกว้างหรือแคบ ถ้าป่ากว้างก็อยู่ห่างกันออกไปประมาณยี่สิบวามีป่าขั้นมองมาเห็นกันถ้าป่าแคบถ้าอยู่ด้วยกันสายรูปก็ห่างกันราวสิบห้าวาแต่โดยมากตั้งแต่ยี่สิบวาขึ้นไปอยู่น้อยองค์ด้วยกันเท่าไหร่ก็ยิ่งอยู่ห่างกันออกไปมากพอได้ยินเสียงไอหรือจามเท่านั้นญาติโยมพากันมาทําทางสําหรับเดินจงกรมให้ท่านประจําที่พักองค์นั้นหนึ่งสายยาประมาณห้าวาหรือสิบวาทุกอง สำหรับทำความเพียรในท่าเดินและเดินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนตามแต่สะดวกในเวลาต้องการถ้ามีพระที่กลัวผีหรือกลัวเสือไปอยู่ด้วยท่านมักจะให้อยู่ห่างๆโมเพื่อนเป็นพิเศษเพื่อเป็นการฝึกทรมานให้หายปรพยชน์ความขี้ขลาดของตัวเซบ้างจนมีความเคยชินต่อป่าดงพงลึกและสัตว์เสือหรือผีต่างๆที่จิตจะทำวามสําคัญมัดหมายสิ่งนั้นๆมาหลอกตัวเอาจะได้เหมือนท่านที่เคยฝึกมาแล้วบ้าง ไปที่ไหนจะไม่ต้องห า, หาความกลัวไปด้วยเพราะวิธีนี้ท่านถือว่าได้ผลดีกว่าการปล่อยตามใจซึ่งไม่มีวันจะเกิดความกล้าหาญได้เลยถ้าไปอยู่ใหม่ๆงองค์ก็นอนกับพื้นดินไปก่อนโดยเที่ยวหาใบไม้แห้งหรือใบไม้สดมารองนอนถ้ามีฟางก็เอาฟางมาปูรองที่นอนท่านว่าหน้าเดินไอเดินยี่ซึ่งเป็นฤ ด, ดูฟ้าใหม่ฝนเก่าประสานกันนี้ รู้สึกลำบากอยู่บ้างเวลาฝนตกต้องเปียกและตากฝนทุกปีบางครั้งนอนตากฝนตลอดคืนจนกว่าจะหยุดปดก็สู้ไม่ไหวเพราะทั้งฝนทั้งลมต้องทนหนาวตัวสั่นอยู่ในกรดนั่นแลตาก็มองไม่เห็นจะหนีไปไหนก็ไม่ได้ถ้ากลางวันก็พ อ, อยังชั่วบ้านแม้จะเปียกก็พอมองเห็นนั่นเห็นนี่และคว้านั่นควานี่มาช่วยปิดปางฝนได้บ้างไม่มืดมิดปิดตายเสียทีเดียว ผ้าสังคาติและไม่ขีดไฟซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต้องเก็บไว้ในบาทเอาฟ้าปิดไว้ให้ดีส่วนจีวรเอาไว้สำหรับคมกันหนาวขณะฝนกำลังตกมุงที่กลางไว้กับกรดต้องลดลงเพื่อกนนารฝนสาดเวลาลมพัดแรงไม่เช่นนั้นก็เปียกหมดตกตอนเช้าไม่มีผ้าห่มบินทบาทก็ยิ่งแย่ใหญ่พอตกเดือนสามเดือนสี่หรือเดือนห้าอากาศเริ่มร้อนขึ้นก็ขึ้นบนภูเขา หาพักตามถ้ำหรือเงื่อนผาพอบังแดด บ, บางฝนได้บ้านถ้าไปตอนเดือนไอเดินยี่ซึ่งพื้นที่ยังไม่แห้งดีก็ทําให้เป็นไข้และชนิดจับสั่นที่เรียกกันว่ามาลาเรียซึ่งใครเป็นเข้าแล้วก็ไม่ค่อยหายเอาง่ายๆเสียเวลาทั้งหลายๆเดืนอนว่าจะหายขาดหรือบางทีก็กลายเป็นไข้เรื้อรังไปเลยคิดอยากไข้เมื่อไรก็เป็นขึ้นมาชนิดที่เขาเรียกว่าไข้พ่อตามแม่ยายนายเกลียดชัง รับประทานได้แต่ทํางานไม่ได้คอยแต่จะไข้ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ว่าแต่พ่อตาแม่ยายใครๆก็คงจะเบื่อหน่ายเหมือนกันไข้รประเภทนี้ไม่มียารับประทานในสมัยโน้นใครเป็นเข้าต้องปล่อยให้หายไปเองไข้ที่หน้าเข็ดรับประเภทนี้ผู้เขียนเองเคยถูกมาบ่อยที่สุดเวลาเป็นขึ้นมาแล้วก็ต้องปล่อยให้หายไปเองเช่นกันเพราะไม่มียารักษา ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเรื่องพระธุดงค์เป็นไข้ปลาไข้ามาลาเรียน่าแต่องค์ท่านลงไปถึงลูกศิษย์บางองค์ถึงกับตายไปก็มีฟังแล้วเกิดความสงสารสังเวชท่านและคณะของท่านมากมายรอดตายมาแล้วถึงได้มาสั่งสอนทำพอเป็นร่องรอยแก่คณะลูกศิษย์ได้ยึดถือและปฏิบัติตามท่านบางแต่ก่อนที่ท่านพระอาจารย์มั่นและพระอาจารย์เสาวยังไม่ได้ผ่านไปอบรมสั่งสอนพอให้รู้เรื่องดีเรื่องชั่ว เรื่องผีเรื่องคนเรื่องบุญเรื่องบาปบ้านผ้าอีสานทั้งผ้าเป็นภาคที่นับถือผียังเป็นชีวิตจิตใจจริงๆจะทํานาทําสวนปลูกบ้านสร้างเรือนอะไรอะไรแทบทั้งนั้นต้องลงเลขลงยามหาวันดีเดือนดีปีดีหาเลิกงามยามดีและเส้นสวงวิงวอนผีให้เห็นดีเห็นชอบก่อนถึงจะลงมือทําอะไรลงไปได้ไม่เช่นนั้นหากมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเช่นไอบ้านจามบ้างตามธรรมดาทาาขนัน แม้แต่สุนัข ก, ก็ยังมีได้เป็นได้แต่เป็นต้องหาว่าผิดผีเขาแล้วต้องไปเชิญหมอประทนายทายทักให้ในทันทีทันใดหมอสมัยนั้นก็เก่งจริงเก่งกว่าหมอสมัยนี้เป็นไหนๆเป็นต้องทายปอออกมาว่าผดผีดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างทันทีเมื่อไปวงสรวงแล้วจะหายหวัดก็หายจามก็หายไอก็หายแม้ผู้เป็นจะยังไอยังจามฟึกฟกแฟกแกอยู่ก็ตาม ถ้าหมอสมัยนั้นว่าหายแล้วก็หายไปตามและสบายใจไปเลยทั้งที่ไอและจามฟิกๆอยู่นั่นและฉะนั้นจึงกล้าเขียนว่าหมอสมัยนั้นเก่งจริงและคนไข้สมัยนั้นเก่งจริงหมอบอกอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไม่ต้องสนใจหาอยู่หายามารักษากันเอาหมอกับผีมาเป็นยารักษาเป็นหายเรียบไปเลยแต่พอท่านอาจารย์ทั้งสองผ่านไปและอบรมสั่งสอนอย่างมีเหตุผล เรื่องบ้าผีและบ้าหมอถ่ายผีก็ค่อยจางลงจนแทบไม่มีเลยแม้หมอเสเองก็ยอมรับพระไตสรณคมคือถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนการถือผีไหว้ผีต่างๆแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทุกวันนี้แทบจะไม่มีใครทํากันก็ว่าได้เวลาที่จะไปตามหมู่บ้านต่างๆทางพระอีสานไม่ค่อยโดนและเหยียบผีและเหยียบเครื่องทั้งเวยผีเหมือนแต่ก่อนนอกจากเขาจะพากันไปทําอยู่ใต้ดิน ซึ่งสุดวิสัยที่จะไปเที่ยวซอกแซกเห็นจึงนับว่าภาคอีสานมีวาสนาอยู่บ้างไม่พากันกอดคอกันตายกับผีไปตลอดชาติยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบไหว้บูชาแทนผีบ้างในการต่อมาชาวอีสานที่ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านพระอาจารย์ทั้งสองคงไม่ลืมบุญคุณท่านเพราะเป็นผู้มีพระคุณแก่คนภาคนั้นจนสดที่พันนาท้งนี้เขียนตามประวัติที่ท่านเล่าให้ฟัง ส่วนจะผิดหรือถูกผู้เขียนก็ทราบไม่ได้ในระยะนั้นอาจจะไม่เกิดหรือยังเป็นเด็กอยู่มากที่พ่อแม่พานักถือผีเป็นชีวิตจิตใจเหมือนคนทั่วไปก็ได้จึงขออภัยด้วยสมัยโน้นไม่ว่าการอบรมคราวาดหรือพระเนนท่านได้ทุ่มเทกำลังและความสามารถทุกด้านเพื่อให้คนเป็นคนจริงๆท่านเที่ยวไปบางหมู่บ้านมีนักปราบบัณฑิตประจหมู่บ้านมาถามปัญหากับท่านก็มีวางว่า ผีมีจริงไหมบ้าว่ามนุษย์เกิดมาจากไหนบ้างว่าอะไรทําให้ผู้หญิงกับผู้ชายเกิดรักชอบกันเองโดยไม่มีโรงรำ่ำโรงเรียนสอนให้รักชอบกันบ้างว่าสัตว์ชนิดเดียวกันตัวผู้กับตัวเมียทำไมจึงเกิดรักชอบกันเองบ้างว่ามนุษย์และสัตว์ไปเรียนความรักความชอบซึ่งกันและกันมาจากไหนจึงได้เกิดรักชอบกันขึ้นมาบ้างแต่ผู้เขียนก็จําได้บ้างเล็กน้อยรายละเอียดทัวถึง จึงนามาลงไว้เท่าที่จําได้จะถูกรึผิดประการใดนั้นขึ้นอยู่กับผู้เขียนเองเพราะเป็นผู้จดจําผิดพลาดคลาดเคลื่อนมาตามนิสัยที่เคยเป็นมาประจำแม้แต่จําคําที่ตนเคยพูดและเรื่องของตัวที่เคยเป็นมาก็ยังมีผิดพลาดได้เสมอมาอย่างแก้ไมต่ตกจึงไม่สามารถจดจําคําของท่านทุกคําด้วยความถูกต้องได้ปัญหาที่ว่ามีผีจริงไหมท่านแกว่า ไม่ว่าแต่ผีหรือสิ่งใดในโลกถ้าสิ่งนั้นมีอยู่จริงสิ่งนั้นต้องเป็นอิสระไปตามความมีอยู่ของตนไม่ขึ้นอยู่กับความสนับสนุนหรือทำลายของใครที่ไปว่าสิ่งนั้นมีจริงหรือสิ่งนั้นไม่มี